แล้วก็พร้อมด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุกเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตอยู่พร้อมท่านเรียกว่าสมาธิขั้นนี้อยู่ในขั้นปฐมฌม า, านในขั้นต่อไปถ้าหากว่าจิตหยุดบริกรรมภาวนาหยุดตั้งใจจดจ้องต่อบริกรรมภาวนานั้นวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปีติตและสุกเอกัคคตา ในขั้นนี้จิตสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่สองขั้นต่อไปจิตปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สุกเอกคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตได้แก่สมาธินั่นเองจิตขั้นนี้อยู่ในฌานขั้นที่สามเรียกว่าตาติยะฌานขั้นต่อไปจิตปล่อยวางสุกยังเหลือแต่เอกคตาคือความเป็นหนึ่งของจิต กับความเป็นกลางของจิตเรียกว่าอุเบกขาจิตอยู่ในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในขั้นฌานจะตุทะฌานฌาน ข, นขั้นที่สี่การทำสมาธิในเบื้องต้นนี้ให้กำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกขาตาไปตามลาดับลาดับเมื่อจิตไปถึงฌานขั้นที่สคือจะตุทะฌานแล้วจะมีลักษณะจิตนิ่งสว่างร่างกายหายไปหมดลมหายใจไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นนิ่งสว่างสวัยเป็นตัวของตัวอยู่อย่างเด่นชัดไม่ได้อาศัยสิ่งใดทั้งสิ้นจิตเป็นจิตเรียกว่าจิตอยู่ในจิตสมาธิขั้นนี้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าเป็นชานก็เรียกว่าอัปปนาชานหรือจตุทะฌานเป็นสมาธิในขั้นตน้น สมาธิตั้งแต่ฌานขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสมาธิสาธารณะทั่วทั่วไปของทุกระติศาสนาที่มีการทำสมาธิลทัทธิการบําเพ็ญฌานนี่มีมาก่อนพุทธกาลแม้แต่ในตอนตอน้ตนๆพระพุทธเจ้าเสด็จออกบัพพชาแสวงหาธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้ พระองค์ก็ได้ศึกษาปฏิบัติตามหลักของฌานในสำนักของดาบททั้งสองซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำนานพุทธประวัติศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตรของดาบททั้งสองแล้วพระองค์เห็นว่าแนวทางของท่านดาบทนั้นไม่เป็นทางที่จะตัดทะลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะสมาธิอยู่ในขั้นฌานนั้น เราจะรู้สึกว่าหมดกิเลสเฉพาะอยู่ในสมาธิแต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วอาการของกิเลสยังมีปรากฏอยู่พระพุทธเจ้าท่านมาลูธท่านในตรงนี้ท่านสามารถทําจิตให้ไปถึงสมาบัติขั้นที่แปดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักสูตรของพรหมในว่าจิตอยู่ในขั้นนั้นจิตมันก็ว่างโป่งสว่างไม่มีอะไรปรากฏ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 การบรรลุทานตามหลักสูตรของศาสนาพราหมณ์จึงไม่ใช่ทางตัดทะลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมันสูงเป็นสมาธิระดับสูงจนเกินไปสมาธิชั้นเนวสัญญานาสัญญายติะมันเป็นสมาธิที่อยู่เหนือโลกถ้าจะขีดเส้นตายลงไปก็อยู่ในระดับพรห ม, มโลกไม่ใช่มนุษย์โลกเสแล้วที่ได้พรห ม, มโลกชั้นนี้มันเป็นพรหมที่ไม่มีตัวไม่มีตน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 กายกับจิตกับอารมณ์สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นภูมเจตของผู้ปฏิบัติสามารถที่จะเป็นไปได้ถึงขั้นนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาพุโทโธแต่การบริกรรมภาวนาพุโทโธนี่จิตไม่ถึงอัปนาสมาธิพอภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธลงไปสักหน่อยหนึ่งพอใจสงบว่างลงไปแล้วคําว่าพุโทโธหายไป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 เจตที่บริสุทธิ์ไปสัมผัสสิ่งใดขึ้นมาย่อมเป็นของที่บริสุทธิ์สะอาดเช่นเดียวกันกับดวงจิต ท, ที่มีความบริสุทธิ์อันนี้คืออิทธิพลของจิต ท, ที่มีสมาธิมีสติปัญญาบ้างพอสมควรเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินั้นในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาทำมจตให้สงบพอที่จะน้อมไปสู่อะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ย อาตมาใคร่ที่จะขอแนะนำให้เพ่งดูอาการสาสิบสองแม่ไม่เป็นไปตามลำดับดังที่หลักสูตรธรรมะ ท, ที่ท่านวางไว้ก็าตามสมมติว่าท่านอาจจะเคยผ่าศพวิจัยศพ ใ, ในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ยกเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทำาจิตนึกตาม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 ทีนี้เมื่อเราไปสำคัญม่นหมายที่จะเอาต้องมีเครื่องอจต้องมีความรู้ต้องมีนิมิตต้องเห็นโ น, โน่นเห็นนี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์ถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ได้อย่างที่ว่านั้นเราก็เกิดท้อแท้แต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องถือว่าเป็นผลงานเสียการปฏิบัติของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องโล้ของิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์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 ราคาประคองจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะทำตามความเป็นจริงนี่เราต้องการความมีสติเท่านั้นในเมื่อสติตัวนี้เราอบรมให้แก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแม้แต่อารมณ์ภายในจิตความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นสักแต่ว่าสัมผัสรู้ไม่มีการยึดถือในสิ่งนั้นๆรู้แล้วก็ปล่อยวางไป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 โดยไม่มีใครจะสามารถก้าวไายหน้าที่ของเขาได้ตามีหน้าที่ดูก็ดูอย่างเดียวจะอุตริไปฟังช่วยหูไม่ได้หูมีหน้าที่ฟังก็มีฟังอย่างเดียวจะอุตริไปช่วยดูกับตาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเป็นใหญ่ในกายของเราตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นเล้นเลิมรสกายสัมผัส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 สติจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนเท่าทีา่ที่ความสามารถของสติจะบันดาลให้เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายได้ภาวนาหรือพิจรารณาธรรมไปถึงขั้นนามธรรมเคยเจสงบนิ่งสว่างและสิ่งรู้อันเป็นนามธรร ม, าามวัตถุตัวตนไม่ปรากฏในเมื่อนานๆเข้าสภาพจิตนั้นจะอ่อนกาลังลง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 และคุณธรรมจงโดนบันดาลให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จที่ตนปึงปรารถนาโดยทั่วกันคือสติที่เป็นใหญ่อินซีแปลว่าความเป็นใหญ่เฉพาะตัวถ้าพูดถึงบุคคลก็คือผู้มีอำนาจเฉพาะตัวสติก็คือความระลึก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 บางทีอยู่เฉยๆจิตมันก็สงบโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือสตินี่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นในบางครั้งมันเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจจนเรารู้สึกรำคาญอันนี้คือผลของความที่สติเป็นใหญ่ทีนี้เราจะเกิดสติเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการแพ่งแพ่งตามที่ ได้อธิบายให้ฟังเอากายของเราเนี่ยเป็นพื้นฐานจะเพ่งดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือตามแนวทางที่ท่านเคยได้วิจัยเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของผู้คนมาเอาอ น, นั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติมันจะช่วยให้เราโลเห็นเร็วขึ้นในเมื่อเราโลเห็นขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นสติมันก็มีกําลังเพิ่มขึ้น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 ทำสมาธิไปด้วยฟังเทศไปด้วยผู้เทศต่อแนะนำให้ทําจิตอย่างนั้นทําจิตอย่างนี้เมื่อจิตของผู้ฟังสงบเคลิมลงไปอยู่ในครึ่งหลับครึ่งตื่นในตอนนี้จิตมันจะยึดคาพูดแล้วกลายเป็นเรื่องการสะกดจิตไปทันทีเพราะฉะนั้นจึงไม่นิยมที่จะไปนั่งเฝ้าหรือนำคนภาวนา ถ้านั่งเฝ้าก็เพียงแต่ว่าเอ้าเวลานี้นั่งสมาธินะทําจิตทําใจกําหนดอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าต่อไปนี้ไม่พูดทําความสงบกันทุกคนคนจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกทีนี้พอสมมติว่าเวลาล่วงเลยไปชั่วโมงสองชั่วโมงพอออกจากสมาธิแล้วใครมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ถามกันในขณะนั้นบางครั้งยังเคยเทศว่าพวกญาติโยมพากันมาทําดีในวัด ความดีมันก็หลั่งไหลเข้าวัดหมดถ้าหากความดีอันนี้มันจะทำให้รวยได้วัดก็รวยแต่ผู้เดียวญาติจมก็พากันจนมดเพราะมาสร้างความดีให้วัดเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาหรือสวดมนต์อยู่ในบ้านเน่ดีที่สุดเพศคะเลหัสไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ที่ไม่เคยบวช สำเร็จพระโสดาเช่นลางวิโสอสาขาอนาถบินเดกะก็ยังคลองเรือนอยู่พระเจ้าสุดโทธนะฟังเทศก็ยังทรงเป็นคฤือัดอยู่สาเร็จพระอรหันต์พระพาหิยะก็ยังแต่งเพศเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็สาเร็จทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นหน้าที่อยู่ในเพศนักบวช น, นเพราะฉะนั้นเรื่องเทศนี่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ การปฏิบัติอยู่ในภูมิของศีลห้านี่ง่ายที่สุดเพราะข้อที่จะพึงผิดวินัยนั้นมันน้อยเราเป็นครือข่ามีศีลห้าจะประดับตกแต่งร่างกายก็ได้มีครอบมีครัวได้รับทานอาหารเย็นได้ไม่ขัดข้องแต่ถ้าบวชเป็นชีแล้วทานอาหารเย็นภาวนาจิตไม่สงบบวชเป็นพระเป็นสงฆ์แล้วฉันข้าวเย็นกัภาวนาจิตไม่สงบ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 อย่างรากอย่างอะไรลงไปแล้วมันเจริญก็กรามแผ่กิ่งก้านสาขาไปเองทีนี้เศษห่า น, นี่ก็เปลียบเหมือนต้นไม้เล็กๆที่เราเริ่มปลูกลงเมื่อมันมีรากแก้วมันมั่นคงขึ้นมาแล้วกิ่งก้านสาขามันก็แตกสาขาแผ่กระจายไปเองเพราะงั้นอย่าไปสงสัยเลยเป็นฆราวาสจะภาวนาไม่ได้ดบไต้ดีเอาว่าไง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 ก็มาตั้งต้นใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ตื่นโอบลงไปแล้วปล่อยให้มันเป็นไปจกนกระทั่งหยุดโอบนิ่งพอเกิดเด้งพับถ้านอนหลับธรรมดาก็มืดไปเลยทีนี้ถ้าเป็นสมาธิพอนิ้งพับสว่างพรงขึ้นมาอาการโอบนั่นเป็นอาการที่จิตจะก้าวลงสู่สมาธิกำลังจะได้ผลแล้วเชิญทาต่อไป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 ทีนี้ถ้าเผื่อว่าคนทั้งหลายมีงานมีหน้าที่การงานต่างๆกันคนที่มีหน้าที่ราช ก, การก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ถ้าเกิดมีคนลายที่เป็นมือปืนคอยรับจ้างฆ่าคนพอฟังเทศหลวงพ่อแล้วเขาไปขยันยิ่งขึ้นพอเข้าเลื่อมใสในคำเทศหลวงพ่อจะไม่ตกนรกใต้เลยนี่เราพิจารณาเอาอย่างนี้กันแล้วกัน